ทกถามะโหสดชาดกที่ห้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงประรบพระปัญญาบา ร, รมีของพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเจ้ากรุงปัญจาล ะ, สะเสด็จญาตราทัพมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่าปัญจาโลสัพพะเสนายะดังนี้เป็นต้นความย่อว่า วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภาเมื่อจะสรรเสริญพระปัญญาบารมีของพระตถาคตได้นั่งสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาว่าอาวุโสทั้งหลายพระตถาคตเป็นผู้มีพระปัญญาใหญ่มีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาลึกซึ้งมีพระปัญญาดุดแผ่นดินมีพระปัญญาเฉียบแหลม มีพระปัญญาว่องวัยมีพระปัญญาเฉียบคมย่ำยีเสียซึ่งวาทะแห่งคนอื่นทรงทรมานเหล่าพรามมีกูตะทันตพรามเป็นต้นเหล่าปริภาชกมีสัพพะพิยะปริภาชกเป็นต้นเหล่ายักษมีอาลวกะยักษ์เป็นต้นเหล่าเทวดามีเท้าสักกะเทวราชเป็นต้นเหล่าพรหมมีพระกะพรหมเป็นต้น และเหล่าโจรมีโจรองคุริมารเป็นต้นด้วยพระปัญญานุภาพของพระองค์ทรงทำให้สิ้นพยศพระองค์ทรงทรมานชนเป็นอันมากประธานบรรพชาให้ตั้งอยู่ในมรรคผลพระศาสดามีพระปัญญาใหญ่ด้วยประการชนนี้พระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาถึงเรื่องอะไร และเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนาค้างในระหว่างเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในการนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้ายังบำเพ็ญบุรพรจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิยานอยู่ก็เป็นผู้มีปัญญาเหมือนกันตรัชนีแล้วทรงดุษณีภาพ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศบุรพจริยาจึงทรงนำอดีตนิทานมาสแสดงดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าวิเทห์สวยราชสมบัติในกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะมีบัณฑิตสี่คนชื่อเสนกะหนึ่งปุกะกุสะหนึ่งกามินทะหนึ่งเทวินทะหนึ่ง เป็นผู้ถวายอนุาสาตอัตธรรมแดพ่พระเจ้าวิเทหราชนั้นการนั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงพระสุบินในเวลาใกล้รุ่งในวันพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิว่าที่มุมพระลานหลวงทั้งสี่มุมมีกองเพลิงสี่กองประมาณเท่ากำแพงใหญ่ลูกโพรงก็ในถ้มกลางกองเพลิงทั้งสี่นั้น มีกองเพลิงกองหนึ่งประมาณเท่าหิ่งห้อยตั้งขึ้นลุกล่วงเลยกองเพลิงทั้งสี่ในขณะนั้นเองตั้งขึ้นจดประมาณอากณาิถพรหมโลกสว่างทั่วจั ก, กรวาลสิ่งที่ตกในภาคพื้นแม้สักเท่าเมล็ดพันผักกาดก็ปรากฏโลกทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมมาบูชากองไฟนั้นด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น มหาชนเที่ยวอยู่ในระหว่างเปเลวเพลิงก็มิได้ร้อนแม้ศักว่าขมขนพระราชาทรงเห็นพระสุบินนี้แล้วทรงหวาดสะดุ้งสเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งทรงจินตนาการอยู่จนอรุณขึ้นว่าเหตุการอะไรหนอจะพึงมีแก่เราบัณฑิตทั้งสี่มาเฝ้าแต่เชา้าทูลถามถึงสุขสัยยาว่าขค่แต่สมมุติเทพพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือ พระราชาตรัสตอบว่าท่านอาจารย์ความสุขจะมีแก่เราแต่ที่ไหนเราได้ฝันเห็นอย่างนี้ลำดับนั้นเสนกะบัณดิตทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์อย่าได้ตกพระหฤทยัยพระสุบินนั้นเป็นมงคลความเจริญจกมีแต่พระองค์เมื่อมีพระราชดำรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงทูลว่า ข้าแต่มหาราชบัณฑิตที่ห้าอีคนหนึ่งจะเกิดขึ้นครอบงำพวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นบัณฑิตทั้งสี่ทให้หมดรมัศมีพวกข้าพระองค์ทั้งสี่คนเหมือนกองเพลิงสี่กองบัณฑิตที่ห้าจะเกิดขึ้นเหมือนกองเพลิงที่เกิดขึ้นในถ้มกลางก็บัณฑิตนั้นหาผู้เสมอย่อมไม่มีในโลกทั้งเทวโลก พระเจ้าวิเทหราชตรัสถามว่าก็บัดนี้บัณฑิตนั้นอยู่ที่ไหนเสนกะบัณฑิตทูลพยากรณ์เราก็เห็นด้วยทิพยจักษุเพราะกําลังแห่งการศึกษาของตนว่าวันนี้บัณฑิตนั้นจากปฏิสนธิหรือจักคลอดจากคันมานดาพระราชาทรงระลึกถึงคําแห่งเสนกะบัณฑิตนั้นจําเดิมแต่นั้นมา ก็บ้านทั้งสี่คือบ้านชื่อทักคิณยวมัชคามหนึ่งปัจฉิมยวมัชคามหนึ่งอุตรยวมัชคามหนึ่งปาจีนยวมัชคามหนึ่งมีอยู่ที่ประตูทั้งสี่แห่งกรุงมิถิลาในบ้านทั้งสี่นั้นเศรษฐีชื่อสิริวัฒกะอยู่ในบ้านชื่อปาจีนยวมัชคามภรรยาของเศรษฐีนั้นชื่อสุมนาเทวี วันนั้นพระมหาสัตยจุติจักดาวดึงพิภพถือปฏิสนธิในคันแห่งนางสมนาเทวีในเวลาที่พระราชาทรงพระสุบินเทพบุตรอีกพันหนึ่งจุติจักดาวดึงพิภพถือปฏิสนธิในตระกูลแห่งเศรษฐีใหญ่น้อยในบ้านนั้นนั่นเองฝายนางสมนาเทวีคลอดบุตรมีพันดุจทองคาโดยการล่วงมาได้สิบเดือน ขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชทอดพระเนตรดูมนุษยโลกทรงทราบว่าพระมหาสัตว์คลอดจากคันมานดาทรงคิดว่าควรเราจะทําพระพุทธางกูนี้ให้ปรากฏในโลกทั้งเทวโลกจึงเสด็จมาด้วยอทิสมาณกายไม่มีใครเห็นพระองค์ในเวลาที่พระมหาสัตว์คลอดจากคันมานดาวางแท่งโอสถแท่งหนึ่งที่หัด แห่งพระมหาสัตว์นั้นแล้วเสด็จกลับไปยังที่พยาพิมานแห่งตนทีเดียวพระมหาสัตว์รับแท่งโอสถนั้นกําไว้ก็เมื่อพระมหาสัตว์คลอดจากคันนั้นความทุกข์ไม่ได้มีแก่มารดาแม้สักหน่อยหนึ่งคลอดง่ายคล้ายน้ำออกจากธรรมกรกะฉะนั้นนางสุมนาเทวีเห็นแท่งโอสถในมือของบุตรนั้นจึงถามว่า ลูกได้อะไรมาบุตรนั้นตอบมารดาว่าโอสดจ้แม่แล้ววางทิพยะโอสดในมือมารดากล่าวว่าข้าแต่แม่แม่จงให้โอสดนี้แกเราคนเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยย่างได้อย่างหนึ่งนางสมนาเทวีมีความร่าเริงยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงบอกแกสิริวัฒกะเศษธีผู้สามี ก็เศฐีนั้นป่วยเป็นโรคปวดศรีรษะมาเจ็ดปีมีความยินดีร่าเริงคิดว่ากูมานีเมื่อเกิดแต่คันมานดาก็ถือโอสถมาทั้งพูดกับมานดาได้ในขณะที่เกิดนั่นเองโอสถที่ผู้มีบุญเห็นปานี้ให้จะมีอนุภาพมากคิดชะนี้แล้วจึงถือโอสถนั้นฝนที่หินบดแล้วเอาโอสถหน่อยหนึ่งทาที่หน้าผาก โรคปรวดศีรษะที่เป็นมาเจ็ดปีก็หายไปดุดน้ำหายไปจากใบบัวฉะนั้นท่านเศรษฐีนั้นมีความดีใจว่าโอสถมีอนุภาพมากเรื่องพระมหาสัตว์ถือโอสถมาก็ปรากฏไปในที่ทั้งปวงบรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งปวงนั้นพากันมาบ้านท่านเศรษฐีขอยาฝ่ายท่านเศรษฐีก็ถือเอาโอสถหน่อยหนึ่งฝนที่หินบด ละลายน้ำให้แก่คนทั้งปวงเพียงเอาทิพยโอสถทาสรีระเท่านั้นความเจ็บป่วยทั้งปวงก็สงบมนุษย์ทั้งหลายได้ความสุขแล้วก็สรรเสริญว่าโอสถในเรือนท่านสิริวัฒกะเศรษฐีมีอนุภาพมากแล้วหลีกไปในวันตั้งชื่อพระมหาสัตว์ท่านมหาเศรษฐีคิดว่า เราไม่ต้องการชื่อบรรพบุรุษมีปู่เป็นต้นมาเป็นชื่อบุตรของเราบุตรของเราจงชื่อโอสถเพราะเมื่อเขาเกิดถือโอสถมาด้วยแต่นั้นมาจึงชื่อพระมหาสัตว์นั้นว่ามโหสถกุมารเพราะอาศัยคําเกิดขึ้นว่าโอสถนี้มีคุณมากโอสถนี้มีคุณมากด้วยประการนี้ลำดับนั้นท่านเศรษฐีได้มีความคิดว่า บุตรของเรามีบุญมากจากไม่เกิดคนเดียวเท่านั้นทารกทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับบุตรของเรานี้จากพึงมีจึงให้ตรวจตราดูก็ได้ข่าวพบทารกเกิดวันเดียวกันหนึ่งพันคนจึงให้เครื่องประดับแก่กุมารทั้งหมดและให้นางนมหนึ่งพันคนให้ทำมงคลแก่ทารกเหล่านั้นพร้อมกับพระโพธิสัตว์ทีเดียวด้วยคิดว่า ทารกเหล่านี้จะเป็นผู้ปฏิบัติ บ, ตบำรุงบุตรของเรานางนมทั้งหลายตกแต่งทารกแล้วนำมาบำเรอพระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์เล่นอยู่ด้วยทารกเหล่านั้นจเจริญวัยเมื่อมีอายุได้เจ็ดขวบมีรูปงามราวกับรูปเปรียบทองคาเมื่อพระโพธิสัตว์เล่นอยู่กับทารกเหล่านั้นในถามกลางบ้านเมื่อช้างเป็นต้นมาสนามที่เล่นก็เสียหาย ทารกทั้งหลายย่อมลำบากในเวลาเมื่อถูกลมและแดดวันหนึ่งเมื่อเขาเหล่านั้นกำลังเล่นกันอยู่มหาเมฆตั้งขึ้นพระมหาสัตว์ผู้มีกำลังดุจช้างสารเห็นเมฆตั้งขึ้นก็วิ่งเข้าสู่ศาลาหลังหนึ่งพวกทารกนอกนี้วิ่งตามไปทีหลังพระมหาสัตว์เหยียบท้าของกันและกันพลาดล้มถึงเข่าแตกเป็นต้นพระโพธิสัตว์จึงคิดว่า ควรทำศาลาเป็นที่เล่นในสถานที่นี้เราทั้งหลายจักไม่ลำบากอย่างนี้จึงแจ้งแก่ทารกเหล่านั้นว่าพวกเราจะลำบากด้วยลมฝนและแดดพวกเราจะสร้างศาลาหลังหนึ่งในที่นี้ให้พอเป็นที่ยืนนั่งและนอนได้เธอทั้งหลายจงนำกระหาปณ ะ, ะมาคนละหนึ่งกระหาปณะนะทารกเหล่านั้นก็กระทำตามนั้น พระมหาัรา์ให้เรียกนายช่างใหญ่มากล่าวว่าข้าแต่พ่อท่านจงสร้างศาลาในที่นี้แล้วได้ให้กหาปณะหนึ่งพันแก่เขานายช่างใหญ่รับคำรับกหาปณะหนึ่งพันแล้วปราบพื้นที่ให้เสมอขุดหลักต่อออกแล้วคึงเชือกกะที่พระมหาัรา์เห็นวิธีคึงเชือกของนายช่างเมื่อจะบอกจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ท่านอยาขึงเชือกอย่างนี้จงขึงให้ดีนายช่างกล่าวว่านายข้าพเจ้าขึงตามเหมาะสมแก่ศิลปะของตนอย่างอื่นนอกจากนี้ข้าพเจ้าไม่รู้พระมหาสัตว์กล่าวว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ท่านจากรับทรัพย์ของพวกเราทําศาลาได้อย่างไรจงนําเชือกมาเราจะขึงให้ท่านให้นําเชือกมาแล้วก็ขึงเอง เชือกที่พระมหาสัตย์ขึงได้เป็นประหนึ่งพระวิสุกรรมเทพบุตรขึงแต่นั้นพระมหาสัตย์ได้กล่าวกับนายช่างว่าท่านสามารถขึงเชือกได้อย่างนี้ไหมไม่สามารถนายถ้าเช่นนั้นท่านสามารถทำตามความเห็นของเราได้ไหมสามารถนายพระมหาสัตย์จัดปันที่ศาลาให้เป็นส่วนๆคือ ห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรห้องหนึ่งห้องสำหรับสมณะพรามผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งห้องสำหรับคฤรืหัดผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งห้องสำหรับเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งทำห้องเหล่านั้นทั้งหมดให้มีประตูทางหน้ามุกให้ทำสนามเล่นที่วินิจฉัยแม่รงทำอย่างนั้นอย่างนั้น เมื่อศาลาแล้วเสร็จโดยวันเล็กน้อยให้เรียกช่างเขียนมาเขียนให้หน่ารื่นรมให้มีจิตกรรมกว้างขวางโดยตนสั่งเองศาลานั้นมีส่วนเปรียบด้วยเทวสภาชื่อสุธรรมาแต่นั้นพระมหสัตดําริว่าเพียงเท่านี้ศาลายังหางามไม่ควรสร้างสัโบกคารณีด้วยถึงจะ ง, งามจึงให้ขุดสัโบกครณี ให้เรียกช่างอิกมาให้สร้างสะโบกครณีให้มีคดลดเลี้ยวนับด้วยพันให้มีท่าลงนับด้วยร้อยโดยความคิดของตนสะโบกครณีนั้นดารดาษด้วยปฐุมชาติห้าชนิดเป็นราวกะว่านันทนโบกครณีให้สร้างสวนปลูกต้นไม้ต่างๆทั้งไม้ดอกและไม้ผลริมฝั่งสะนั้นดุดอุทยานนันทนวัน และใช้ศาลานั้นแหละเริ่มตั้งธนวัตเพื่อสมณะพรามผู้ประพฤติ ธ, ธรรมและผู้เดินทางที่จรมาเป็นต้นการกระทำของพระมหาสัตว์นั้นได้ปรากฏไปในที่ทั้งปวงมนุษย์เป็นอันมากได้อาศัยศาลานั้นพระมหาสัตว์นั่งในศาลานั้นกล่าวสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสิ่งที่ถูกและผิดแก่ผู้ที่มาแล้วมาแล้วเริ่มตั้งการวินิจฉัย การนั้นได้เป็นเสมือนพุทธุ บ, บาทการฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชการล่วงไปได้เจ็ดปีทรงระลึกได้ว่าบัณฑิตทั้งสี่กล่าวแก่เราว่าบัณฑิตที่ห้าจะเกิดขึ้นครอบงาพวกเขาบัณฑิตที่ห้านั้นบันดนี้อยู่ที่ไหนโปรดให้อมมาต์สี่คนไปสืบเสาะหาทางประตูทั้งสี่ด้านให้รู้สถานที่อยู่แห่งบัณฑิตนั้น อามาดผู้ออกไปทางประตูอื่นๆไม่พบพระมหาสัตว์อามาดผู้ออกไปทางประตูด้านปราจีนทิศนั่งที่ศาลาคิดว่าศาลาหลังนี้ต้องคนฉลาดทําเองหรือใช้ให้คนอื่นทำํำจึงถามคนทั้งหลายว่าศาลาหลังนี้ช่างไหนทําคนทั้งหลายตอบว่าศาลาหลังนี้นายช่างไม่ได้ทําเอง แต่ได้ทำตามวิจารณ์ของมโหสดบัณฑิตผู้เป็นบุตรของสิริวัฒกะเศรษฐีด้วยกําลังปัญญาแห่งตนอมาา ถ, ถามว่าก็บัณฑิตอายุเท่าไรคนทั้งหลายตอบว่าเจ็ดปีบริบูรณ์อมหานับปีตั้งแต่วันที่พระราชาทรงเห็นพระสุบินก็ทราบว่าบัณฑิตนั้นคือผู้นี้เองสงกับพระราชาทรงเห็นพระสุบิน จึงส่งทูดไปทูลพระราชาว่าขอเดชะบุตรของสิริวัฒกะเศรษฐีในบ้านปาจินญ ะ, ะวะัฒมชามชื่อมโหสดบัณฑิตอายุได้เจ็ดปีให้สร้างศาลาสะโบกคารณีและอุทยานอย่างนี้อย่างนี้ข้าประบาดจะพาบัณฑิตนี้มาเฝ้าหรือยัง พระราชาทรงสดับประพฤติเหตุนั้นมีพระหารุไทยยินดีรับสั่งให้หาเสนกะบัณฑิตมาตรัสเล่าเนื้อความนั้นแล้วดํารัสถามว่าเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เสนกะเราจะนําบัณฑิตนั้นมาหรื อ, อยังเสนกะบัณฑิตนั้นเป็นคนตรณีจิงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ด้วยเหตุเพียงให้สร้างศาลาเป็นต้นใครๆก็สร้างได้ข้อนั้นยังเป็นการเล็กน้อยพระราชาทรงสดับคำของเสนกะบันดิตทรงดาริว่าเหตุการณ์ในข้อนี้จะพึงมีทรงนิ่งอยู่ทรงส่งทูตของอมรักลับไปด้วยพระดารัสว่าอมารัจงอยู่ในที่นั้นพิจารณาดูบันดิตไปก่อน อมหาได้ฟังพระราชดำรัสนั้นก็ยับยั้งอยู่ที่นั้นพิจารณาดูบัณดิตต่อไปรวมหัวข้อพิจารณาในเรื่องนั้นดังนี้ชิ้นเนื้อโคเครื่องประดับทำเป็นปล้องปล้องกลุ่มได้บุตรคนเตีย้ยชื่อโคละกาละรถท่อนไม้สีสะงูไก่แก้วมณีให้โคตัวผู้ตกลูกข้าว ชิงช้าห้อยด้วยเชือกสายสะน้ำอุทยานลาแก้วมณีบนรังการวมสิบเก้าข้อ